89.5 เมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดันใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผู้ดำเนินรายการวชรินทร์คันทชาทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์ต กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวคะ่ะดิฉันวัชรินคณนชากลับมาพบคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องเป็นราวหยิบเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเรามาเล่าสู่กันฟังหยิบเอาเรื่องที่น่าสนใจจากต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังสาหรับวันนี้เรื่องในบ้านเราน่าสนใจเพราะมีตัวเลขสถิติที่อยากจะฝากคุณผู้ฟัง ไปนั่งคิดใคร่ควรนะคะว่าเออประเทศไทยนี่ติดติดหลายๆสถิติของทั่วโลกทั้งดีและไม่ดีทั้งยังไงเราจะมีส่วนอย่างไรบ้างที่จะทำให้บ้านเราน่าอยู่ขึ้นนะคะมาดู กรุงเทพเนี่ยล้างท้ายเมืองจักรยานโลกนะคะทั้งที่เราเองนั้นพยายา ม, มที่จะสร้างกระแสของการลดการใช้พลังงานมีกระแสสุขภาพเกิดขึ้นแต่เรายังอยู่จาก อ, อันดับที่88จาก90เมืองทั่วโลกนะคะจากผลการสำรวจ ด, ดัชนีเมืองจักรยานปี2019นะคะโดยจัดทำโดยโคยา่าบริษัทประกันภัยสัญชาติเยอรมันบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือเมืองยูเทรค นะคะซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของเนเธอร์แลนด์ถูกจัดให้เป็นเมืองอันดับ1ของจักรยานโลกนะคะเรียกว่าเป็นเมืองเมืองหลวงของจักรยานนะคะแซงหน้าเมืองจักรยานที่หลายคนคุ้นเคยอย่างอัมสเตอร์ดัมหรือโคเปนเฮเกนนะคะมาดูว่า10อันดับเมืองจักรยานโลกอันดับหนึ่งนอกจากยูเทร็แล้วคิดเป็นคะแนนรวมนะคะเสเตสัสดส่วนผู้ใช้จักรยาน เทียบเคียงกับรถส่วนตัวเทียบเคียงกับระบบขนส่งมวลชนของเขาเนี่ยผู้ใช้จักรยานมีมากถึง 51% า็ร์ก็ลดหลั่นกันไปน ะ, ะที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปว่าจะใช้ขนส่งมวลชนหรือว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะอันดับสอง เ, อเมืองมูนสเตอร์ของเยอรม น, นีนะคะคะแนนรวมคือ 65.9 ิสัดส่วนผู้ใช้จักรยานก็คือ 39.10 นอะคะอันดับ3คือแอนเวิร์ ประเทศเบ ล, เ, ลเยียมคะแนนรวม6 0ส1ดตสัดส่วนผู้ใช้จักรยาน 28.90% ปอันดับ4โคเปนเฮเกนค่ะประเทศเดนมาร์กคะแนนรวมอยู่ที่ 60.46% สปตสัดส่วนผู้ใช้จักรยานคือ 29% อันดับ5ค่ะอัมสเตอร์ดัมซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะเข้าใจว่าอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ โอ้ใช้จักรยานเป็นเมืองที่ใช้จักรยานกันแบบเป็นชีวิตแต่ตอนนี้คือเสียแชมป์ให้กับอูเทร็คแล้วนะคะอูเทรคนี่ก็เป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งของของเนเธอร์แลนด์ค่ะเขาใช้จักรยานมากกว่าคะแนนรวมของอัมสเตอร์ดัมเนี่ยอยู่ที่ 60.2% ิสัดส่วนผู้ใช้จักรยาน 32% อนะคะอันดับ6เมืองมันโมนะคะประเทศสวีเดนคะแนนรวมอยู่ที่ 55. าสเปอตสัดส่วนผู้ใช้จักรยานคือ3าเเซ์ อันดับเจ็ดค่ะอันดับเจ็ดเมืองหางโจวประเทศจีนเขาได้สัดส่วนสูงเพราะว่าส่วนใหญ่มีจักรยานเยอะนะคะถ้าเกิดเราเห็นภาพข่าวหรือคลิปอะไรต่างๆเนี่ยคะแนนรวมอยู่ที่ 52.55% เซน สัสดส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่ที่3าเปอนะคะอันดับ8เมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคะแนนรวมอยู่ที่4 8่สสัดส่วนผู้ใช้จักรยาน1ิเปอรต้องยอมรับว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยประเทศเขาสวยแต่ว่าเป็นประเทศเล็กๆนะคะเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟเนี่ยนั่งรถไฟสวยกว่าคุ้มกว่าแล้วก็ไปได้ไกลกว่านะคะก็เลย ได้สัดส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่เพียง 15% นะคะอันดับ9เบรเมนเยอรมนีนะคะคะแนนรวมอยู่ที่ 47.81% สัดส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่ที่ 21% ค่ะอันดับ10ฮันโนเวอร์เยอรมนีนะคะคะแนนรวมอยู่ที่ 46.70% สัดส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่ที่ 19% นะคะโดยยูเทร็เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มี ที่จอดรถจักรยานใหญ่ที่สุดในโลกนะคะสามารถจุจักรยานได้มากถึง 22,000 คันค่ะแล้วก็เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวมีระบบช่วยผู้ขับขี่ค้นหาจุดจอดที่ไปจะไปจอดที่ไหนมีระบบเหมือน GPS เลยนะคะแต่เป็น GPS GPS เพื่อหาจุดจอดรถจักรยานนะคะ มีที่จอดจักรยานเฉพาะสำหรับจักรยานพิเศษอย่างเช่นจักรยานตอนยาวสองที่นั่งหรือจักรยานที่มีแฮนด์กว้างกว่าปกติโดยปัจจุบนันมีจานวนผู้ใช้จักรยานเติบโตเร็วสุดในเนเธอแลนด์อยู่ที่1 2 5 0 0 0้คันต่อวันมากกว่ายอดออกออกรถส่วนตัวนะอันนี้เป็นรถส่วนตัวเหมือนกันแต่เป็นรถจักรยานนะคะหรือเกือบ เราวๆครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรสามแสนสามหมื่นคนของเมืองอูเทคนะคะทั้งเมืองนี้มีประชากรแค่สามแสนคนแต่ว่ามีคนถอยจักรยานใหม่อยู่ที่ประมาณ 1,25,000 คันต่อวันนะคะ มาดูสถิติของกรุงเทพมหานครเราบ้างนะคะติดอันดับที่88จาก90เมืองทั่วโลกนะคะได้คะแนนเมืองจักรยานรวมอยู่ที่ 18.90% เมื่อเทียบกับสัสดส่วนคนทั้งเมืองพบว่ามีผู้ใช้จักรยานเพียง 0.25%, เท่านั้นเองนะคะสาหรับเมืองในเอเชียที่ติดอันดับครั้งนี้ด้วยก็คือโตเกียวค่ะติดอันดับที่24ได้คะแนนเมืองจักรยานรวม4 0่ สัด ส, ส่วนผู้ใช้อยู่ที่ 15% อันดับที่38ปักกิ่งค่ะได้คะแนนเมืองจักรยานรวม 35.91% สัด ส, ส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่ที่ 14% อันดับ51เซี่ยงไฮ้ค่ะได้คะแนนเมืองจักรยานอยู่ที่ 32.51% สัด ส, ส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่ที่ 10% อันดับ52สิงคโปร์ค่ะได้คะแนนเมืองจักรยานรวม 31.6% สสัดส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่ที่ 1% นึ่ะคะสิงคโปร์ก็เมืองเมืองเล็กๆนะเมืองเล็กๆส่วนที่โซลค่ะได้อันดับที่69ได้คะแนนรวมจักรยานอยู่ที่2 7่สสัดส่วนผู้ใช้อยู่ที่ 1.5 ึเปอเอันดับอันดับที่79็ดสิบเนิวเดลีค่ะ นิวเดลีประเทศอินเดียก็ยังได้สถิติที่ดีกว่าเราะ ค, ะคือใช้จักรยานเยอะนะคะอาจจะเป็นด้วยประชากรเขาเยอะเนาะแล้วก็ต้นทุนาทางด้านระบบสาธารณูปโภคของเขาค่อนข้างที่จะสูงกว่าบ้านเรานะคะโดยนิวเดลีเนี่ยได้คะแนนเมืองจักรยานรวมอยู่ที่2 3 9สสตัดส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่ที่ 4% เและอันดับ85จาการตานะคะได้คะแนนอยู่ที่2 1 6สสัดส่วนผู้ใช้จักรยานอยู่ที่เ มาดูอันดับดีๆของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะอันดับดีๆของกรุงเทพมหานครก็คือยังเป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาเที่ยวอ่าอันนี้เป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องดีค่ะผลการสํารวจนี้เนี่ยจัดขึ้นโดย Mastercar าเป็นประจํานะคะโดยปีนี้ปี2019บบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังเป็น เมืองครองอันดับหนึ่งเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่4จากการสำรวจ200เมืองนะคะมีผู้ท้าชิง200เมืองทั่วโลกแต่ว่ากรุงเทพมหาคนครได้อันดับหนึ่งะคะโดยในปี2018เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนกรุงเทพแบบค้างคืนมากถึง 22.78 ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้นทั่วโลก 76% จากปี2009เป็นต้นมานะคะและคาดว่า ในปีนี้จะเติบโตอีก 3.34% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็อังกฤษเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่นิยมมาเมืองไทยคะ่ะมีค่าใช้ใจ่ายรวมอยู่ที่ประมาณ 20.03 พันล้านดอลล า, าร์สหรัฐหรือประมาณ 6.12 แสนล้านบาทนะคะตัวเลขสูงอยู่ทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยภูกเก็ตก็ยังติดอันดับที่14นะคะว่ามีนักเดินทางมาเยือนมากถึง 9.89 ล้านคนแล้วก็พัทยาติดอันดับที่15ค่ะมีนักเดินทางมาเยือน 9.44 ล้านคนนะคะโดย10เมืองจุดหมายปลายทางโลกตามอันดับนะคะก็คืออันดับ1กรุงเทพมหานครอันดับสองกรุงปารีสนะคะ ฝรั่งเศสอันดับ3ลอนดอนอังกฤษค่ะอันดับ4ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตอันดับ5้สิงคโปร์ค่ะอันดับ6กกัลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะอันดับ7นิวยอร์กสหรัาเมริกาค่ะอันดับ8อิสตันบูตุรกีค่ะอันดับ9โตเกียวญี่ปุ่นนะคะอันดับ10อันตัญญาตุรกีค่ะทั้งนี้เมื่อวัดจากค่าใช้จ่ายในการพักค้างคืนพบว่าที่ดูไบของสหรัชอาหรับเอมิเรตเนี่ยนะคะครองอันดับ1 คือไปใช้มีคนไปพักแล้วไปใช้เงินเยอะนะคะด้วยค่าใช้จ่ายจํานวนเนี่ยสา0สาพันล้านดอลล า, าร์สหรัฐอันดับ2ได้แก่กรุงเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 20.09 ิบจพันล้านดอลล า, าร์สหรัฐส่วนกรุงเทพนะคะอยู่ที่อันดับ3นักท่องเที่ยวใช้เงินอยู่ประมาณ 20.03 ิบจุพันล้านดอลล า, าร์สหรัฐสําหรับเมืองไทยเองเนี่ยถูกมองว่าเป็นเมืองที่ สามารถใช้เงินได้คุ้มค่ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักราคาเมื่อเทียบกับเรดในมหานครต่างๆทั่วโลกแล้วเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าทั้งเรื่องที่พักอาหารคือในในจำนวนเงินที่เท่ากันเนี่ยแต่อิ่มมากกว่าได้บริการที่ดีกว่าได้เซอร์วิสที่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่ดีเนาะเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้ามาฟังกันต่อว่าเรื่องที่จะหยิบมาเล่าเกี่ยวกับต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องอะไรฟัก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 On board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Self-respect. I'm out of breath. I'm on. One today. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in s o u e n กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่ากลับเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะดิฉันวัชริ น, นาาริรดาจันนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบนี้เรื่องราวที่จะหยิบมาเล่าจากอีกฟากโลกหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของตัวเลขที่ทาง UN UN นะคะ UN, แต่เป็น UN ในหน่วยงานของ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเขาเปิดเผยมาว่าประเทศผู้นำที่นำการลดมลพิษในภาคการขนส่งของโลกเนี่ยห้าประเทศหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างที่เอามาเล่าให้ฟังกันต่อเนื่องว่าเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความตื่นตัวในเรื่องของการดูแลธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เกิดขึ้นในทุกมุมโลกนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนที่แพร่ขยายไปในหลายภูมิภาคของทั่วโลกเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงโดยตรงต่อตัวตัวเราเองต่ อ, เ, อ, อเรื่องของออการผลิตอาหารอะไรต่างๆของโลกเนี่ยมันมันกระทบไปหมดเลยท่า น, นี้ทาง UN เนี่ยเขาก็เลยเปิดเผยมาในส่วนของผู้นำประเทศทีเ่เป็นผู้นำ ในการประกาศลดมลพิษทางอากาศนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นอันดับต้นๆแล้วกเ็เป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงในหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องของโรคปอดโรคหัวใจโรค ห, หลอดเลือดตีบและมะเร็งนะคะโดย อ, องค์กรเนี้ยคือโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสาธ า, าระช า, ชาติหรือว่า United Nation Environment Program นะคะหรือว่า UNEP ประเมินว่าแต่ละปีมีคนต้องตายจากสาเหตุ ข, ของการ เสียชีวิตด้วยมลพิษทางอากาศนะคะตอนนี้ก็คือประเทศเราก็กำลังเผชิญหน้ากับ PM นะ PM ที่มันกำลังกลับมานะคะมาดูกันว่ามลพิษที่เกิดขึ้นจากการขนส่งเนี่ยจะเป็นมลพิษทางอากาศที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในเขตเมืองก็ทำให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลในหลายประเทศเนี่ยมองหามาตรการเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพอากาศแล้วก็ควบคุมมลพิษประเภทนี้หนึ่งในวิธีที่แพร่หลายก็คือการพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะพลังงานไฟฟ้าที่มีมลพิษจากการขนส่งเป็นศูนย์นะคะเพื่อที่จะลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการขนส่งก็หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะด้วยการออกแบบเมืองให้ประชากรสามารถเดินทางไปโรงเรียนหรือไปร้านค้าได้ประการต่อมาก็คือส่งเสริมให้คนเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะปั่นจักรยานหรือว่าออกกําลังกายด้วยการเดินให้มากขึ้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่ง ที่จะต้องใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานในรูปแบบเดิมอันนี้เป็นคำกล่าวของรอปเดยองนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งด้านพลังงานไฟฟ้าของ UNEP นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยได้พัฒนาโปรเจกต์เอมอเ i ลิตีนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเศรษฐกิจเกิดใหม่หันมาใช้การขนส่งที่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะคะโดยพวกเขาเนี่ยเข้าไปช่วยตั้งแต่การพัฒนานโยบายแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอรูปแบบเทคโนโลยีด้านต่างๆนะรวมถึงคำนวณผลประโยชน์ในเชิงสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจให้เห็นผลก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องของโลกของทุนนิยมโลกของสังคมนิยมเนี่ยเรามักจะเปรียบเทียบตัวเลขรายได้ทางเศรษฐกิจตัวเลข GDP วันนี้มีการพูดถึงตัวเลขในเรื่องของผลประโยชน์ในเชิงสุขภาพซึ่งบางทีเนี่ยพอเราได้ตัวเลข GDP คือนอกเรื่องนิดนึงเนาะ ได้ตัวเลขทาง GDP มาแล้วเนี่ยแต่เราต้องมาเสียต้นทุนในการดูแลสุขภาพของประชากรต้นทุนใ น, ในการบริหารจัดการระบบอย่างเช่นคนไปเที่ยวกันเยอะๆดีมีรายได้มีเงินสะพัดในพื้นที่แต่ว่าในชุมชนก็ต้องเสียต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมคือต้องจัดการระบบขยะที่มากับนักท่องเที่ยวอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะซึ่งตอนนี้ได้มีการนํารูปแบบการคิดคํานวณทุกด้านให้ครบมากขึ้นว่าตัวเลขที่เราได้มาได้กําไรมา กับตัวเลขที่เราลงทุนในด้านการดูแลชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันได้ประโยชน์จริงหรือไม่นะคะเรื่องนี้ได้ถูกประจายต่อไปยังชุมชนด้วยซึ่งเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าชุมชนนั้นเป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาเมืองเนาะโดยตัวเลขที่เปิดเผยมากลับเข้ามาเข้าเรื่องของย e ูเนสเนาะ5้าประเทศทั่วโลกที่มีส่วนในการผลักดันนโยบายลดปริมาณมลพิษจากการขนส่งเนี่ย รวมถึงยกระดับระบบการขนส่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นห้านดับมีเมืองอะไรบ้างนะคะมีนายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอนค่ะซาดิกข่านนะคะซึ่งข่านเนี่ยเป็นผู้ผลักดัน2นโยบายสำคัญเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพอากาศในกรุงลอนดอนโดยนโยบายแรกก็คือการกำหนดโซนโมลพิษของการขนส่ง ต่ำพิเศษซึ่งจะควบคุมปริมาณมลพิษในอ า, าอากาศอย่างเข้มงวดส่วนอีกนโยบายหนึ่งก็คือการยกมาตรฐานการปล่อยมลพิษของรถโดยสารประจําทางร ถ, าทรถบัสและรถบรรทุกให้สูงขึ้นนะคะโดยเขาเองเนี่ยตั้งเป้าว่ารถบัสโดยสารและรถบรรทุกในกรุงดอ น, นทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายในปี2020นี้ค่ะขณะที่โซนมลพิษจากการขนส่งต่ําพิเศษจะถูกขยายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นภายในปี2021นยี่สิบนะคะ ทั้งสองมาตรการทั้ ง, งมาตรการนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณมลพิษจากการขนส่งในกรุงลอนดอนได้และจะช่วยให้ประชากรกว่า1 0 0 0แสนคนไม่ต้องอาศัยอยู่ในเขตที่มีค่ามาตรฐานมลพิษสูงเกินกำหนดนะคะนี่เป็นแนวนโยบายวิสัยทัศน์ของซาดิคขานนายกเทศมนตรีของลอนดอนนะคะอันดับ2ก็คือแคโรลีน่าชมิดนะคะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจากประเทศชิลีนะคะ ชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีจํานวนรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้าสูงเป็นอันดับสองในโลกรองจากจีนนะคะแล้วเขาก็ยังมีแผนที่จะเพิ่มจํานวนอีกเป็นสิบเท่าภายในปี2022ภายใต้การบริหารงานของชมิตเนี่ยเขาเล่งเห็นความสําคัญของการลดมลพิษทางอากาศนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีรถบัสที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วกรุงซานดิเอโกนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของชิลีเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ย200คันแล้วก็ ผู้คนก็ให้ความนิยมในรถชนิดนี้มากนะคะส่วนใหญ่ยอมจ่ายมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้มลุภาวะที่ดีขึ้นความสำเร็จนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนรถไฟฟ้าเหล่านี้ให้ได้ 2,000 คันภายในปี 2,020 2022นี้นะคะนี่เป็นนโยบายอยากให้มีรถแบบนี้ในบ้านเราเยอะๆจังเลยนะมาดูอันดับที่3นะคะ Carlos m a n u น l อ o d i ดิโอนะคะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศคอสตาริกาค่ะปัจจุบันเนี่ยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้มากกว่า300วันต่อปีของคอสตาริกาเนี่ยผลิตมาจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็ก๊าซชีวมวลรวมถึงพลังงานความร้อนใต้พิภพค่ะโดยคอสตาริกาเนี่ยมีแผนที่จะปลดแอกการพึ่งพาพลังงานคาร์บอนโดยสิ้นเชิงในอนาคตนะคะแม้ปัจจุบันคอสตาริกาจะมีส่วนทาให เกิดกร์ดเรือนกระจกเพียง 0.4% ของโลกซึ่งน้อยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีเป้าว่าเขาจะไม่เป็นปัญหาเลยในเรื่องของมลพวะนี้นะคะโดยจะยกเลิกการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากคาร์บอนเนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของคอสซาลิก้าในระยะยาวนะคะนี่คาร์ลอสมานูเอลโรดิเวสเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นนะคะเขาเชื่อว่า การเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและพลังงานในเวลาเดียวกันเนี่ยจะทำให้เกิดนโยบายแล้วก็เปลี่ยนผ่านทำได้ง่ายขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพนะคะนี่ก็เป็นอันดับ3ามาดูอันดับ4ีค่ะโอล e าอีเวนตุนนะคะอีเวสตวนรัฐมนตรีภูมิภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศที่ใช้พลังงานสะอาด 100% เเซ์ ในปี2030นะคะโดยปัจจุบันนอร์เวย์ยังมีสัดส่วนจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าต่อประชากรสูงที่สุดในโลกนะคะซึ่งกว่า 70% ของรถยนต์ที่วิ่งบนถนนในนอร์เวย์เนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายด้านสิ่งแวดล้อมกระทรวงการคลังของนอร์เวย์ก็ได้ออกแพ็คเกจสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เสียภาษีถนนค่ะขณะที่คนใช้รถแบบเดิมจะถูกเก็บภาษีหนัก นอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังสามารถใช้บริการเรือเฟอร์รี่ได้อีกอีกทั้งมีที่จอดสาธารณะหลายแห่งในเมืองแล้วก็ยังอนุญาตให้จอดเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าด้วยและทางการยังติดตั้งหัวใจพลังงานไฟฟ้าไว้หลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยแหมฝันจังเลยนะอยากให้เราตอนนี้คือรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเรามีอยู่สองยี่ห้อไปหาเอานะคะมียี่ห้อไหนบ้างราคา ย, ยังสูงมากอยู่เลยคะ่ะเรา ที่นอร์เวย์มีประชากรเพียง5ล้านคนค่ะแต่กลับเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่อันดับ3ของโลกค่ะชัดเจนเลยว่านโยบายนี้ส่งผลให้ประชากรของเขาหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมากขึ้นนะคะประเทศสุดท้ายประเทศอันดับ5ให้ทายติ๊กตอกติกตกว่าเป็นประเทศอะไรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศจีน มาฟังดูค่ะว่านโยบายเขาเข้าตายูเนสได้ยังไงนะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะทางการจีนได้ออกมาตรการส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆในประเทศเนี่ยผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผู้ผลิตบริษัทผู้ผลิตถูกขอให้ผลิตรถยนต์ที่เป็นประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเป้าหมายของนโยบายนี้ก็คือเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบสอเปอร์เซ็นของประเทศ ของปริมาณทั้งประเทศนะคะรวมทั้งปรับปรุงค่าบริการการกินน้ำมันของรถยนต์ให้ลดลงเหลื อ, อาจาก 6.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรเหลือ5ลิตรต่อ100กิโลเมตรภายในปี2020นะคะนี่เป็นตัวอย่างของ5ประเทศที่มีนโยบายในการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานรวมถึงการสร้าง มลภาวะที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะอยากให้มีนโยบายอย่างเนี้ยอย่างชัดเจนเลยในบ้านเราจังเลยเพื่อที่จะทําให้เชื่อว่าปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 มันจะทุเลาลงนะคะไม่ใช่ว่ารอให้เป็นหน้าฝนไม่ใช่ว่ารอมาตรวจควันดำกันเป็นคราวๆไปนะคะซึ่งถ้าเกิดขับเคลื่อนในรูปแบบที่เป็นนโยบายชัดเจนแบบนี้ดิฉันเชื่อว่า ประชาชนคนไทยรวมถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนยินดีที่จะให้ความร่วมมือแน่นอนอย่างแรกเลยคือเรื่องของระบบขนส่งมวลชนนะคะหมดเวลาสําหรับเป็นเรื่องเป็นราวในวันนี้นะคะกลับมาพบพบกับดิฉันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าหรืออยากจะฝากให้หามาเล่าให้ฟังสามารถฝากไว้ได้ที่เพจเป็นเรื่องเป็นราวนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทร์คณชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ